ต่อไปจะสอนวิธีทำกิจให้เป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานรองรับปัญญาและมักผลนิพพานสมาธิมีอยู่สามอย่างสมาธิคือความที่ใจสงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียว ไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆหนึ่งคานิกะสมาธิกิดเป็นสมาธิรวมวับลงนิดเดียวขนาดเดียวคู่เดียวไม่นานแต่ก็ทำให้ใจสงบสบายได้อันนี้มีกับทุกคน อนณิกาสมาธินี่มีกับทุกคนสูงขึ้นมาอีกเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิอยู่ยังไม่สงบเต็มที่แต่ว่าก็มีความสงบสามารถเห็นกิจของตนเองอยู่ตลอดใจก็ไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปทางอื่น มีความแน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่เอาตรงนี้แหละไปพิจารณาให้เกิดฟีปั ส, สัญญาณสมาธิขั้นที่สามวนี้เรียกว่าอปปนาสมาธิอันนี้กิ จ, จะวางลงจากความรู้สึกนึกคิดต่างๆ กายตัวตนไรไม่มีเลยมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นตัวตนของเราไม่มีไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลยมีแต่ความรู้สึกว่านิ่งแนวอยู่อย่างเดียวไม่รู้ว่าตัวตนเราอยู่ไหนอันนี้ทําให้เกิดให้เป็นเราทําไม่ได้มันเป็นของมันเอง แต่ที่เราแต่งได้ก็คืออุปจารสมาธิกับขณิกาสมาธิเราแต่งได้เราบริกรรมอยู่หรือว่าคิดนึกอยู่อันนี้เราแต่งได้เราพยายามเข้าสมาธิอุปจารสมาธินี่แหละให้บ่อยๆจิตของเราก็จะวางลงเป็นอัปปนาสมาธิด้วยตัวของมันเอง สมาธิมีอยู่สามขั้นคณิกะสมาธิจิตสงบนิดหน่อยอุปจารสมาธิจิตสงบเกือบจะเข้าถึงอัปปนาแต่ยังไม่ถึงมันเข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่ส่วนอัปปนามันวางของมันเองใจเราจะสงบเยือกเย็นมาก ทีนี้สมาธินี้มีสามส่วนที่จะเอาไปให้เป็นนิพพานานั้นก็คือว่าเมื่อกิตสงบเป็นอุปจารสมาธิแล้วมีรู้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเราก็สามารถเอาไปพิจารณาตัวตนร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภะก็ได้ตัวตนของเรานี่ก็มีความเน่าความหมิน หลังจากตายแล้วยิ่งเหมอืนนี่อย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาไปพิจารณาตัวเรานี่ประกอบส่วนได้มีแต่โครงกระดูกทั้งตัวเราก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนาตตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้นี่ยิบศาสนาก็คือเห็นเป็นอนิจจัง ในตัวตนของเราก็ได้เห็นเป็นทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ในตัวเรานี้ก็ได้เห็นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเราตลอดกาลทุกภพทุกชาติก็ไปด้วยกันอย่างนั้นอย่างนั้นตายแล้วก็ฝังไว้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้อะไรอย่างงี้อันนั้นไม่ใช่ พระพุทธเจ้าสอนเราเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้คือของเราอันนี้คือของเราอันนี้วิปัสสนาเป็นอย่างนี้คือให้รู้หรือวางทีก็เราก็พิจารณาอาการสามสิบสองอาการสามสิบสองก็คือ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกืือในกระดูกม้ามตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เป็นธาตุเป็นดินอาการสามสิบสองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำามกน้ำลายน้ำมูดมีอยู่ในตัวเรานี้พี่นาไปก็เห็นไปใจเราก็สบายไปนี่แหละ อันนี้เรียกว่าเราพิจารณาให้เป็นวิปั ส, สนาพิจารนาก็คือเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็เป็นฐานรองรับมักฝนนิพพานขึ้นมากิจของเราก็รู้ชัดรู้จริงถ้ากิจเราลงไปจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วน่ะ เราไม่ต้องมาพิจารณาโดยที่ว่าเราใช้อุปจาราเป็นเอกกัตาลมนี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันลงถึงกับปนาสมาธิแล้วนี่มันพิจนาพอมันถอยออกมาปับ๊บนี่มันจะพิจารณาของมันเองเลยมันจะเห็นชัดขึ้นมาเลยมันจะวางความยึดความถือได้เลยนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้เล่าถึงอธิบายถึงเรื่องของสมาธิและวิปัสสนาก็เป็นฐานรองรับมรรคผลนิพพาน ต้องต่โสดาบันขึ้นไปสกิทาคามีอนาคามีอรหันนี่เราก็สามารถทำได้ถ้าทำได้แล้วก็ไม่เสื่อมเหตุที่เสื่อมก็มีอยู่แค่เราไปตำหนีผู้ปฏิบัติด้วยกันหรือว่าตำหนีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระริยบุคคลแล้ว เราไปตําหนีตีเตียนอันนี้เป็นโทษคุณธรรมของเราที่มีอยู่ก็จะเสื่อมสลายไปแต่ถ้าเรารักษาอยู่ขับขว้องใจของเราให้อยู่กับลมหายใจไม่ไปตําหนีตีเตียนใครไม่ไปใส่ร้ายว่าสีใครอยู่ดีๆอยู่สบายๆอย่างนี้อันนี้คุณธรรมเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราตลอดไปจนเข้าเข้าพระนิพพาน เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระละหันมันจะไปอย่างนั้นถ้าเป็นพระลหันเขาไม่ได้เวียนไหวาตายเกิดในวัตถุสงสารนี่อีกแต่ถ้าเป็นโสดาบันเราก็มาเกิดในภู้มนุษย์นี้เกียติชาติเท่านั้นก็จะได้สำเร็จเป็นพระละหัน แต่ถ้าเราไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเกิดนับภพนับชาติ ก, กับกันไม่ท่วนถ้าเป็นพระริยบุคคลโสดาบันแล้วไม่ไปสู่อบยภูมิเลยเราเกิดเกีรติชาตินั้นไม่ตกนรกไปแต่สวรรค์กับมนุษย์นี่เท่านั้นอย่างี้คุณธรรมสูงขึ้นก็เหมือนกันสูงขึ้นไปก็ละเอียดตรงเช่นสกิทาคามีก็ มาเกิดในมนุษย์นี้ชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อนาคามีก็คือไม่มาไม่กลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีกเลยไม่กลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีกสาเร็จแล้วพอตายก็ไปอยู่สุาาทาวาตพมโลกอวิหาอาตตปาสุทัสสาสุทัสสีอะคดิฐา ภูมิทั้งหมดดเรียกว่าภูมิธรรมที่เรือว่าภูมิจิตของพระอริยบุคคลผู้เป็นอนาคามีจะไปสถิตอยู่ในที่นี่ที่สุทาวาทภูมิโลกนี้ไม่ลงมาเกิดในภูมิมนุษย์ปฏิบัติอยู่ในภูมิโลกสำเร็จแล้วก็เข้าพระนิพพานเมื่อสิ้นอายุแล้วก็เข้าพระนิพพาน ส่วนพระลหันไม่กลับมาเวียนไายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกเลยถึงสุขอันแท้จริงท่าน น, นิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้คืออธิบายให้ฟังทั่ ว, วไปก่อนอย่างนี้แหละ ทีนี้เราจะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบหรือเป็นสมาธิหรือมีมรรคมีผลก็ต้องอธิบายตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำี่ชอบสัมมาวาจาเจีารตชอบ สัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิกิจเป็นสมาธิมั่นชอบที่เรามาฝึกที่นี้ ฝึกให้เข้าถึงความเป็นสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือเพียนพยายามเพียนพยายามขับไล่อารมณ์ที่ไม่สงบให้ออกไปจา ก, กจิตเราให้เหลือแต่ความสงบเป็นหนึ่งนี่ให้มีอารมณ์เดียว ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นนั่นแหละทีนี้เราจะทํายังไงบนี้ที่จะทําให้ไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเราก็ต้องพิจารณากําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคอยรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออก ผู้เก่าแล้วผู้เคยมาแล้วก็คงรู้ดีเพราะว่าภาวนาเป็นหมดแล้วส่วนผู้ใหม่ยังไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนอัตมาก็เลยเล่าความเปลี่ยนไปของเส้นทางของการปฏิบัติให้ใหทราบให้รู้ว่าปฏิบัติไปอย่างไงอย่างไงแต่พอเอาจริงๆก็คือมาหัดกิดให้เป็นสมาธินี่แหละ ให้มีสติวายามะก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีมันอยู่ด้วยกันเราทําจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็สมาธิตีก็ชัดเจนขึ้นในใจของเราคือเห็นชอบมนะันเกิดขึ้นได้ เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายความมัดภากจากจรความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นชัดเลยแต่ว่าถ้าพูดไปอย่างนั้นมันก็ทั่วไปเอาที่ว่าลมหายใจเข้าลองดูลมหายใจเข้าก็หา เ, า เ, าเห็นมันเข้าไปลมหายใจออก ก็เห็นมันออกมามีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้แหละเรียกว่าวิธีปฏิบัติให้กิดเป็นสมาธิแบบอนาปานาสติแบบอื่นก็ได้แบบไหนก็ได้แบบยุบนอพองนอสัมมาละหัง อะไรต่างๆหรือพุโทโธพุโทโธได้ทั้งนั้นแต่ว่าในที่นี้เราไม่ไม่ได้สอนแต่หลายอย่างเราสอนเฉพาะว่าให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติอนุสติสิทพุโทโธก็เป็นพุทธานุสติ เราก็ไม่ได้เป็นแนะนำในจุดนั้นหลวงปู่เทศเทศสรัางสีเทศให้อัตมาฟังท่านก็บอกไว้สองอย่างหนึ่งกำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ในใจสองกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก อาจารมาก็เลือกเอาลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเลยวันที่จะได้ตัดสูพระองค์ก็ใช้อนาปานสตินี่แหละกำหนดบริกรรมอนาปานสตินี่แหละตอนที่เป็นพระกุ ม, มารอยู่ก็ อยู่ใต้ต้นว่าก็กำหนดอนาปานสตินีเหมือนกันเป็นสมาธิมาตั้งแต่อายุเก็ยขวบพอปฏิบัติพระองค์ก็ใช้ทุกวิธีที่เขามีอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำกิจให้หลุดพ้นจากกองทุกได้พระองค์จึงตัดสินใจไม่ทำทุกขละกิริยาหันมา กินอาหารแล้วก็ให้ร่างกายปกติสมบูรณ์ดีอยู่แล้วค่อยพิจารณาทีนี้มากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพอกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกกิจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอาหารหันต์ก็คือไกลจากกิเลสอนั้น ทีนี้เราจะทํำยังไงต่อไปค่อยคอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันมีทั้งหมดสิบหกขั้นอันดับแรกคือกําหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวกําหนดรู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น กำหนดรูกองลมทั้งป่วงคือลมทั่วทั้งกายนี่รูหมดลมเดินไปทุกส่วนของร่างกายลมระงับลงคือลมมันเบาลงจนใจแทบขาดไปเลยเหลือแต่รูอย่างเดียวอันนั้นเรียกว่าเรามีจิตเป็นสมาธิแล้วมีการทำถูกต้องเรียกว่าคอย รูลมหายใจเข้าที่ให้ระ ง, งับลงระ ง, งับลงก็คือแผลวเบาจนไม่สามารถกำหนดไว้ได้เลยแหละจิตก็นิ่งเป็นหนึ่งไม่มีความชัดสายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ว่าอนาปานสีสิบหกขั้นนี้เราก็ไม่ได้เอาทั้งหมดเอาสี่ขั้นตามสติปัฏฐานสูตร ทั้งหมดสิบหขั้นนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกขออนิมนต์อาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุโนได้อ่านอนาปานสติให้ได้ฟังด้วยนิมนต์ภิกษุทั้งหลายอนาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอันนี้สงญ่ญ่คือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสุคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งก่ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ ทำกายสังขารให้ระงรับอยู่ให้ใจเข้าให้เป็นผู้ทําการปรุงแต่งทางกายคือกายสังขารให้ระงรับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติให้ใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติห้ใจออกโดยย่อมทาการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าไวา้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออก เตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่ หายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนว่าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออก เธอย่มทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใ่เข้าไว้ให้เราทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใ่ออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใ่เข้า ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หาย ใ, ใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลยอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าให้เราเป็นผู cool down down ้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าไว้ให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกปิสุตงหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่ มีอันนี้สง์ใหญ่ดังนี้เราจะเห็นว่าทั้ง16คันนี้ถ้าเราทำได้ตลอดกิริตก็ออกจากใจเราหมดไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละมันเป็นทั้ง กามันเป็นทั้งเวทนาเป็นทั้งจิตเป็นทั้งธรรมอาณาปานาสติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเอาแค่สามนี่แหละอันดับแรกไม่เอาเป็นทังสามเราเอาอันเดียวก่อนคอยรู้ลมหายใจเข้าคอยรู้ลมหายใจออกอยู่ที่จมูกของเราเนี่ยแหละเรากำหนดได้ตรงไหนเราก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยรู้ รัวลมเข้ามันเข้าไปแล้วลมออกมันออกไปแล้วเรารู้ทันตลอดไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่ได้บังคับให้มันจิตมันมาสงบแต่เราตั้งใจรู้ลมทันเองมันก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาตั้งใจกำหนดรู้ลม ที่จมูกนะแต่ก็อย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับไม่ได้เราให้มันสงบให้มันอยู่กับปลมโดยการที่เรียกว่ามีสติเฝ้าดูสังเกตลมเข้าลมออก เทา่านั้เมื่อเราสังเกตเหตดลมเข้าลมออกใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นอย่างอื่นมันจะอยู่กับลมหายใจตลอดถ้ามันละเอียดนั่นมันก็ถึงความเป็นผ้ารหันหน่น พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนาปานตสตินี่แหละส่วนเราไม่ถึงขั้นนั้นเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็สบายแล้วมีความสุขพอเพียงแล้วว่างั้นเถอะเราสามารถไปพิจารณาให้เกิดคุณธรรมมรกผลขึ้นมาได้ สามารถเอาความสงบอันนี้ไปพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวตนของเราได้ใจเราก็จะสงบปล่มเย็นเป็นสุขสติของเราก็จะรู้ทันฟังธรรมะก็จะเข้าใจแต่ก่อนนี่ไม่เข้าใจไม่รู้ทันพูดอะไรฟังไม่เข้าใจ แต่พอเราได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะเข้าใจเลยวันนี้ฟังธรรมะจะเข้าใจลึกซึ้งเลยถ้าเราปฏิบัติจนถึงได้เป็นพระอรหันนี่มันเข้าใจหมดไม่มีอะไรที่ทำให้ไม่เข้าใจเข้าใจหมดเจียมแจ้งในใจเราหมดนั่นแหละ แต่ทีนี้เราปฏิบัติขอให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็พอใจแล้วเวลาลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกเราก็รู้ว่าลมออกนนยาวหรือสั้นเราคอยสังเกตดูถ้ากล้างกายหรือจิตใจไม่มีอะไรตื่นเต้น ปกติธรรมดาสามัญทั่วไปลมหายใจจะยาวถ้าตื่นเต้นตกใจลมหายใจจะสัน้นที่เราคอยกำหนดรู้ความยาวความสั้นของการเข้าออกของลมโดยวิธีปฏิบัติเป็นขั้นๆไปอันดับแรกให้มีสติอยู่กับลม อันที่สองก็คือลมยาวก็ให้รู้ลมยาวทั้งเข้าและออกให้คอยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติให้สังเกต ด, ดูให้ดีสังเกต ด, ดูใจของเรานั่นแหละมันไม่คิดนึกไปทางอื่นเลย มันอยู่กับลมหายใจหลับตาก็ได้ถ้าหลืมตาอยู่มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆใจมันจะไม่สงบตามที่เราต้องการหลับตาเสียพอหลับตาแล้วก็คอยเฝ้าดูเฝ้าดูการหายใจของเรามันก็ไม่ได้ยากอะไร ลมก็เป็นของเราอยู่แล้วคนไม่ตายก็มีลมหมดทุกคนเนเราไม่ตายลมก็ยังมีอยู่คอยรู้คอยเห็นคอยกำกับมันถ้ามันสงบครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ไม่ยากต่อไปมันก็สงบ พอมันรู้เส้นทางแล้วแต่ถ้ามันยังไม่สงบนีเราก็ยังกำหนดไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ค่อยทำตามที่อัตมาที่ายนี่แหละคอยรู้อยู่ที่จมูกของเราจุดใดจุดหนึ่งที่เราพอจะรู้ได้แล้วก็คอยเฝ้าดูว่าการออกเข้าของลมเราก็มีสติ ไม่เผอไม่ไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนี่จิตเราเป็นสมาธิแล้วนะแต่สมาธิมันยังไม่นานเราก็ทำให้มันมีกำลังขึ้นไปอีกให้มีกำลังดีขึ้นไปกว่านี้ค อ, อยปฏิบัติไปถ้ายังสงสัยอยู่ว่า มันทําไมไม่อยู่ขอให้มีสติรู้ลมมันก็อยู่เท่านั้นเองคือไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นมันอยากจะ ค, คิดมันอยากจะฟุ้งซ่านก็ให้มันคิดไปฟุ้งซ่านไปตามเรื่องของมันเราไม่ไปกังวลกับมันและไม่ไปตามคิดตามนึกตามรู้สึกของมันเรามีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่าเนี้ย มันกระดับเรื่องวุ่นวายออกไปหลายอย่างได้หมดใจเราก็จะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวมีความสุขความสงบภายในเราก็เอาความที่มันมีอารมณ์เดียวนี่แหละไปพิจารณาส่วนพิจารณานี่จะเทศให้ฟังละเอียดอีกครั้งหนึ่งวิปัสสนาญาณ น, นั่นจะเทศให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับวันนี้เป็นการเริ่มต้นจะให้หัดผิตของเราให้เป็นสมาธิให้ได้ให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนี่แหละคอยกำกับอยู่ตลอดมีสติกำกับอยู่คือความรู้สึกรลิกได้เรียวกว่าสติ เราเดินไปแล้วก็คอยดูกินอยู่เราก็สังเกตดูลมหายใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนที่เรานั่งหรอกแต่ก็ให้อย่าอย่าทิ้งไปอย่าเดินไปเฉยเฉยอย่านอนอยู่เฉยเฉยให้คอยรู้ลมไปเรื่อยๆถ้าเรานอนไม่หลับเราก็คอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะหลับหลับแล้วตื่นมันขึ้นมาก็เป็นสุข ใจิตใจชุ่มเย็นอืส่วนเวล า, เานั่งเราก็ตั้งใจทถามมวนอย่างที่เราถามอยู่เดี๋ยวเวลาเรานอนเราก็คอยกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะหลับไปเข้าพรางหลับปั๊บไปเลยอนนั้นแหละตื่นขึ้นมาก็สบายใจิตใจเบิกบานอแต่เรานั่งอยู่นี่ใจิตใจสงบก็สบายขึ้นเหมือนกัน ที่เราเข้าใจแล้วให้ทำตามนี้ไปเรื่อยๆตั้งแกปฏิบัติต่อไป